อันเป็นที่พราถนาของกุลบุตรผู้ออกบวชอันเป็นจุดหมายแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันชาตินี้โดยใช้เวลาเจ็ดปีหปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีปีเดียวเจ็ดเดือนหกเดือนละถึงหนึ่งเดือนกึ่งเดือนเจ็ดวันเท่านั้น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 โดยเหตุที่มีความเอื้อเอ็นดูแสดงด้วยอาศัยความอนุเคราะห์ธรรมเทศนาของภิกษุทั้งหลายเช่นนี้ชื่อว่าบริสุทธิ์